สมาจารสามครั้งนั้นท่านพระอานน์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ําอาจิรวดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลําดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างส่งเสด็จพระราชดําเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอาหน์ถึงที่อยู่ ทรงกราบแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาปิพิธเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งบนอาสนะของอาตมาภาพอยู่แล้วพระเจ้าประส e n t ิโคศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามท่านพระอานน์ว่าพระคุณเจ้าอาห น, น์พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอาห น, น์ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจาร ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเส e n t ิโคศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงประพฤติวจีสมาจารความประพฤติทางวาจามโนสมาจารความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอาณนทวายพระพรว่ า, วา มหาบพต์พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติมโนสมาจารย์ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิที่โกรธสรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอาศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอาณ น, น, น์ทาให้บริบูรณ์ได้ด้วยการแก้ปัญหา ชนเหล่าใดเป็นคนพานไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวนไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยม ย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระกายะสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาปพิธกายะสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นกายะสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้า กายสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรกายยสมาจารที่มีโทษเป็นกายสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายยสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรกายยสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นกายยสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายยสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรกายยสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบาก เป็นกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรเพราะคุณเจ้ากายยศมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรกายยศมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่กายยศมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากกายยศมาจารนั้น กายสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าวจีสมาจารมโนสมาจารที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นมโนสมาจาร์ที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้า มโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีโทษเป็นมโนสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไร มโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสม ajaan ใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่มโนสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อม มโนสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าปเปเสนติโคศนตรถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงสันเสริญการละอกุณธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอานนทถวายพระพรว่ามหาบาพิษพระตถาคตทรงละอกุณธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุลธรรม ขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่กศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากายมยมาจาร์ที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรกายมยมาจาร์ที่เป็นกุศลเป็นกายสมาจาร์ที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้า กายสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรกายยสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นกายยสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายยสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกายยสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นกายยสมาจารที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายยสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไร กายสมาจาร์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายยมาจาร์ที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรเพราะคุณเจ้ากายยมาจาร์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรกายยมาจาร์ใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอาสุณธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากกายยมาจาร น, นั้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแ ก, กาา่กายสมาจารนั้นกายยสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรเพราะคุณเจ้าวาจีสมาจารมโนโสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นกุศล เป็นมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นมโนสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมโนสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียน เป็นมนโนสมาจาร์ที่ไม่มีโทษขอถวายพระ พ, พรพระคุณเจ้ามโนสมาจาร์ที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมโนสมาจาร์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นมโนสมาจาย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจาย์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสมาจาย์ใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้าง เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากมโนสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญมโนสมาจานเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าเสรนที่โคศนตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิษพระตถาคตทรงละอากุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพร พระเจ้าปเปเสนที่โคศนถวายผ้าพพาหิติกาพระเจ้าปเปเสนที่โคศนตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอาศัศจรร์จิงไม่เคยปรากฏพระคุณเจ้าอานนกล่าวภาสิทธินี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยพาสิทธิ์ของพระคุณเจ้าอานน์นีน้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธิ์ของพระคุณเจ้าอานน์อย่างนี้ ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานน์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอาณน์ถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานน์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานน์ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานน์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานน์แต่พวกโยมรู้อยู่ว่า นั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานน์เลยพระคุณเจ้าผ้าพาหิติกาผืนนี้ยาวสิบหกศอกท้วนกว้างแปศอกท้วนพระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาสตรูเวทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัดทรงมาประทานแกยโยมขอพระคุณเจ้าอานน์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาไว้เถิด ท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาปพิธตรายจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าประเซ็นที่โกสนตรัสว่าพระคุณเจ้าแม่น้ำอจิระวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอจิระวดีนี้ ย่อมไหลเ อ, อ่อล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานน์ก็ฉันนั้นเหมือนกันจากทําตรายจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกานี้และจากแบ่งตรายจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมนี้คงจกแผ่ไปดุดแม่น้ําเ อ, อ่อล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานน์โปรดรับผ้าพาหิติกาเถิด ท่านพระอานนทร้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าประส enti โกศลได้ตรัสกับท่านพระอานนทว่าพระคุณเจ้าเอาเถิดบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทาอีกมากท่านพระอานนทถวายพระพรว่ามหาบาพิตรขอพระองค์จงทรงกาหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิด ต่อจากนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโกศลทรงชื่นชมยินดีภาษิทธิของท่านพระอานนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอานนท์ทรงกระทําประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกสลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลถึงเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าประสิทธิโกศนทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายภาพพาหิติกานั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระเจ้าประสิทธิโกศนพระเจ้าประสิทธิโกศนทรงได้ดีแล้วที่เท้าเธอได้ทรงพบอานน์ และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์พระผู้มีพระภาคได้ตรัพย์สิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลภาหิติกะสูตรที่แปดจบ เจติยะสูตรว่าด้วยธรรมเจดีข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของพวกเจ้าสักยะชื่อเมทะลุปะแควนสักกะสมัยนั้นแลพระเจ้าประสิทธิโคศนเสด็จไปนิคมชื่อน ak ัครกกะด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างลำดับนั้น เท้าเธอรับสั่งกับเสนาบดีชื่อทีฆาการยนะว่าการยนะเพื่อนรักท่านจงจัดยานพาหนะคันงามๆเตรียมไว้เราจะไปดูสถานที่อันรื่นรมในอุทยานหลวงทีฆาการยนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้แล้วกราบทูลแด่พระเจ้าประสนทิทธิโกศลว่า ขอเดชะข้าพระองค์จัดยานพาหนะคัน ง, งามๆหลายคันไว้เพื่อพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระเจ้าประสเสนทิโคสนทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากนิคมชื่อนครกะพร้อมกับยานพาหนะคัน ง, งามตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เสด็จไปยังอุทยานอันน่ารื่นรม จนสุดทางที่ยานพาณะิจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดําเนินด้วยพระบาทเข้าไปยังอุทยานเท้าเธอพระราชดําเนินพักผ่อนไปมาในอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้ล้วนน่าร่มรื่นชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอืกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทําการลับของมนุษย์ สมควรเป็นที่หลีเกเร้นครั้นเห็นแล้วทรงเกิดพระปิติปรารภพระผู้มีพระภาคว่าหมู่ไม้เหล่านี้ล้วนน่าร่มรื่นชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอึ ก, กทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีเกเร้นเป็นเสมือนสถานที่ที่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค รหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนครั้งนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศสนรับสั่งเรียกที่คะการายนะเสนาบดีมาตรัสว่าการยนะเพื่อนรักหมู่ไม้เหล่านี้ล้วนน่าร่มรื่นชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอึ ก, กทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์ สมควรเป็นที่หลีกเร้นเป็นเสมือนสถานที่ที่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนการยนะเพื่อนรักบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนทีขะการยนะเสนาบดีกราบทูลว <ắm S 2> ่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ประทับอยู่ที่นิคมของผู้เจ้าสักยะชื่อเมทลุปะพระเจ้าค่ะพระเจ้าประส enti โกรศน์ตรถถามว่าการยนะเพื่อนรักนิคมของผู้เจ้าสักยะชื่อเมทลุปะอยู่ห่างจากนิคมชื่อนคร ก, กะเท่าไหร่ที่ขะการยนะเสนาบดีทูลตอบว่าไม่ไกลนักระยะทางประมาณสามโย์ อาเสด็จไปถึงได้โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึงวันพระเจ้าค่าพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าการยนะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงจัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้เราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่ข้าการยนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้ แล้วกราบทูลพระเจ้าปเปเสนธิโกศลว่าขอเดชะข้าพระองค์จัดยานพาหนะคัน ง, งามๆหลายคันไว้แล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลําดับนั้นพระเจ้าประเสนธิโกศลทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากนิคมชื่อนครกะพร้อมกับยานพาหนะคัน ง, งามตามเสด็จ ถึงนิคมของพวกเจ้าสักยะชื่อเมทลุปะโดยใช้เวลาไม่ถึงวันเสด็จไปยังอารามจนสุดทางที่ยานพาณะิจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปยังอาราม เจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งลําดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วตรัสถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนหนอโยมประสงค์จะเฝ้าพระองค์ พิสุเหล่านั้นถวายพระพรว่าขอมหาบพิษจงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิท ด, ดีแล้วอย่าทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงเคาะกรอนประตูนิดหน่อยเถิดพระผู้มีพระภาคจากทรงเปิดประตูรับขอถวายพระพรลำดับนั้นพระเจ้าปรปเนสนธิโกศนทรงม่อพระแสงขัน และพระอุณหิตแก่ที่ขะการยนะเสนาบดีในที่นั้นหลังจากนั้นที่ฆาการยนะเสนาบดีได้คิดว่าบัดนี้พระมหาราชจากทรงปรึกษาความลับเราควรจะยืนอยู่ในที่นี้แล่ลำดับนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโกสนได้ทรงเงียบเสียงสเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วมิได้ทรงรีบด่วน เสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงเคาะกอนประตูนิดหน่อยพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับครั้งนั้นพระเจ้าประเสิทธิโคศลเสด็จเข้าไปยังพระวิหารทรงซบพระเสียรลงจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ทรงนวดพระยุคลบาทด้วยฝ่าพระหัตทั้งสองและทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มอมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสรรเสริญพระธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า มหาบพิษพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงกระทำความนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในสรีระนี้ถึงเพียงนี้และทรงแสดงอาการฉันมิตรถึงเพียงนี้พระเจ้าประเสนทธิโคสลนทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาดมอมฉันเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพระพฤิพรมจันท ร, ร์ ม, มีกำหนดสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างส0สิปีบ้างสี่สิบปีบ้างสมัยต่อมาสมณพราหม์เหล่านั้นอาบน้าดาหัว รูปลายอย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนให้เอบอิ่มพร่างพร้อมด้วยกามาคุณหประการแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์มอบกายถวายชีวิตอยู่อันหนึ่งหม่อมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 แม้พราหมยังวิวาดกับพราหม์แม้ขหะบดียังวิวาทกับขหะบดี แ, brasile, แ, แ, แ, e. แ er. ม้มารดายังว kind of ิวาทกับบุตรแม้บุตรยังวิวาดกับมารดาแม้บิดายังวิวาดกับบุตรแม้บุตรยังวิวาดกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายยังวิวาดกับพี่สาวน้องสาวแม้พี่สาวน้องสาวยังวิวาดกับพี่ชายน้องชายแม้สหายก็ยังวิวาสกับสหาย แต่มอมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สมัครสมานสมัคคีไม่วิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันละกันด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความรักอยู่มอมฉันไม่เห็นบริษัทเอิ่นที่สมัครสมานสมัคคีกันอย่างนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่มอมฉัน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 มีผิวพันธุ์ไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าศบตาคนมอมฉันนั้นได้เกิดความดำริว่าท่านเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพระมรรจันเป็นแน่หรือว่าท่านเหล่านั้นมีบาปกรรมอะไรที่ทำแล้วปกปิดไว้ท่านเหล่านั้นจึงสู้ผอมมีผิวพันุ์ไม่ผ่องใสผอมเหลือง ตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนมอมฉันก็ไปหาสมณะพราหมเหล่านั้นแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหตุไรพวกท่านจึงสู้ผอมเจ้ามองมีผิวพันธุ์ไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าศบตาคนสมณะพราหมเหล่านั้นได้ตอบอย่างนี้ว่า มหาบาพิษพวกอัตมาภาพเป็นโรคพันธุกรรมแต่มอมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ร่าเริงยิ่งนักมีใจชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์ผ่องใสมีความขนขวายน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุดมรึกอยู่มอมฉันนั้นได้ดำริว่า ท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเป็นแน่ท่านเหล่านี้จึงร่าเริงยินดียิ่งนักมีจิตชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์ผ่องใสมีความขนขววยน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุดมรึกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉัน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 จะให้ริบซัพ์ของคนที่สมควรริบได้จะให้เนรเทศคนที่สมควรเนรเทศได้เมื่อมอมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยอธัธคดีก็ยังมีคนทั้งหลายพูดแทกขึ้นมาในระหว่างในระหว่างมอมฉันนั้นไม่ได้เพื่อจะห้ามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อเรานั่งอยู่ในที่วินิจฉัยอธัธคดีพวกท่านอย่าพูดแทกขึ้นระหว่างถ้อยคาของเรา จงรอให้เราพูดจบเสียก่อนคนทั้งหลายก็ยังพูดแทรกขึ้นในระหว่างถ้อยคำของหม่อมฉันแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคก็ไม่มีเสียงไอหรือเสียงจามเลยเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อย ในบริษัทนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งได้ไอขึ้นเพื่อนพระมจารีรูปหนึ่งได้ใช้เข่าสกิดเธอด้วยความประสงค์ให้เธอรู้สึกตัวได้ว่าท่านจงเงียบอย่าทำเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายทรงแสดงธรรมอยู่หมอมชั้นนั้นได้ดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคทรงแนะนําบริษัทอย่างดีเช่นนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญยาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราเลยหม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่ได้รับการแนะนําอย่างดีเช่นนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งหมอมฉันได้เห็นกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโตวาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้กษัตริย์เหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมจากเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นกริสัเหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจากพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จกตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจากโตวาทะอย่างนี้กับพระสมณโคดม ถ้าแม้พระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จักตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจักโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมกษัตริย์เหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาดหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถากษัตริย์เหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาดหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกาถา ก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจากโต้วาทะกับพระองค์ได้เล่าโดยที่แท้ก็พากันยอมตนเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว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 สมณะผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโต้วาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้สมณะเหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทาลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมจากเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นสมณะเหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่า เราทั้งหลายจากพากันเข้าไปหาพระสมณะโ Yours, คโดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระโคโดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จกตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจกโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมถ้าแม wow ้พระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จกตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจกโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดม สมณะเหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคโดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโนนแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สมณะเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารกแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถา สมณะเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหานกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคะถาก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจากโต้วาทะกับพระองค์ได้เล่าโดยที่แท้ก็ขอโอกาสเพื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับพระผู้มีพระภาค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 เราทั้งหลายไม่พินาศละสินนอท่านผู้เจริญเราทั้งหลายไม่พินาศ pues ละสินนอท่านผู้เจริญด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายไม่ได้เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ได้เป็นพราหมณ์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัดนี้เราทั้งหลายเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นพระอรหันต์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 ประการหนึ่งช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้กินอยู่กับหม่อมฉันใช้ยวดยานของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขาตั้งยศให้เขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาจะทำความเคารพนอบนอบในหม่อมฉันเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องเคยมีมาแล้วหม่อมชันยกกองทัพออกไป เมื่อจะทดลองช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้จึงเข้าพักในที่พักอันแคบแห่งหนึ่งครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการสนทนาธรรมมีคาถาตลอดราตรีเป็นส่วนใหญ่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ทางทิศใด พวกเขาก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นนอนเหยียดเท้ามาทางหม่อมฉันหม่อมฉันนั้นได้ดําริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอาัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุรานะเหล่านี้กินอยู่กับเราใช้ยวดยานของเราเราให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่พวกเขาตั้้งยศให้พวกเขาแต่ถึงกระนั้น พวกเขาจะได้ทำความเคารพนอบนอบในเราเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่ทั้งสองคนนี้คงจะรู้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่ม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าประเสิทธิโกศลมีพระชนเท่ากัน ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคทรงเป็นชาวโกศลแม้หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุแปสิบพันษาแม้หม่อมฉันก็มีอายุแปสิบปีแม้ด้วยการที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นชาวโกศนแม้หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศนพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุแปสิบพรรษาแม้หม่อมฉันก็มีอายุแปสิบปีนี้หม่อมฉันจึงได้ทำความกรบนอบนอบเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคและแสดงอาการฉันมิตรถึงเพียงนี้เอาเถิดบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปะพิตขอพระองค์จงกาหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสเสนทิโกศลนทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงกระทําประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้งนั้นแหล เมื่อพระเจ้าประเสนทิโกสนเสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าประเสนทิโกสนพระองค์นี้ตรัสธรรมเจดีทรงลุกจากที่ประทับแล้วเสด็จจากไปเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีจงศึกษาจงทรงจำธรรมเจดีนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายธรรมเจดีประกอบด้วยประโยชน์ เป็นอาทิพรมจันทร์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลธรรมเจติยสูตรที่เก้าจบ